พระ อ, องค์เล่าให้ภาษาริบทฟังต่อไปว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อว่าสังคปาละมีริดมากมีเขี้ยวเป็นอาวุธมีพิษแรงกล้ามีลิ้นสองแฉกเป็นใหญ่กว่านาคทั้งหลายนะสัมนวนของนางก็เป็นยังไงลิ้นสองแฉกเนี่ยนะทุเฉีวหาว่าลิ้นสองแฉกเท่านัก็มีเขี้ยวเป็นอาวุธพิษก็ร้ายแรงชาตินั้นเราก็อธิษฐานอุโบสถมีองค์สประการ อุโบสถพิเศษว่าผู้ใดมีกิจด้วยผิวหนังผู้นั้นก็จงเอาผิวหนังเราไปเถิดผู้ใดต้องการเนื้อก็เอาเนื้อไปผู้ใดต้องการเอ็นก็เอาเอ็นไปผู้ใดต้องการกระดูกก็เอากระดูกของก็เอากระดูกไปคําว่าเลือดนี่รวมอยู่กับกับเนื้อนะใครต้องการเอาหนังไปทํากระเป๋าก็เอาไปใครต้องการเนื้อเอาไปกินต้องการเลือดเอาไปดื่มก็ เ, เอาไปใครต้องการเอ็นต้องการกระดูกก็เอาไปเถอดนีนะ จริงนะถ้าไอ้คนยุคนี้มันเอาจริงๆนะเอาไม่จริงนะนะเมื่อวานในเรื่องร้านงูเห่าเขาบอกันร้านงูเห่าเลี้ยงอาหารป่าทุกชนิดเหมือนกั น, นเช่นงูเห่าเป็นต้นเนี่ยนะก็ไปบริโภคได้พวกนี้ก็ก็อย่างคนคนเอาจริงๆนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านก็สละจริงๆเหมือนกัน เสร็จแล้วพระโพธิสัตว์บอกว่าเราน่ยนะผู้ใดต้องการหนังต้องการเนื้อต้องการเอ็นต้องการกระดูกผู้นั้นก็จงนําเอาเอวัยวะที่เราให้แล้วนี้ไปเถิดแล้วก็สําเร็จด้วยการอยู่ณสถานที่ใกล้ทางใหญ่สี่แยกที่เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ชนต่างๆไอการให้นี่ไม่ใช่แอบซุกอยู่ในรูแล้วผู้ใดต้องการก็เอาไปเถอดบอกไม่ไปนอนอย่างสางาผ่าเผยสี่แยกเลยนะเป็นเหมือนกับอะไรนะป้อมตํารวจอยู่ตรงนั้นเนะป็นนอนอยู่ตรงนั้นใครอยากได้เอาไป พวกบุตรนายพรานเป็นคนดุร้ายหยาบช้าไม่มีกรุณาไม่มีสงสารได้เห็นเราแล้วมีมือถือไม้พลองตะบองสั้นกรูขั้นก็เข้าไปหาเราณนะที่นั้นพวกบุตรนายพรานเอาห อ, อกแทงเราที่จมูกแทงจมูกแล้วก็ร้อยดึงนะนะที่หางที่กระดูกสันหลังแล้วก็เอาหวายร้อยหามเราไปถ้าเราปรารถนา ก็พึงยังมหาปตพีมีมหาสมุดเป็นที่สุดพร้อมทั้งป่าพร้อมทั้งภูเขาให้ไหม้ด้วยลมจมูกในที่นั้นนั้นจริ ง, รงๆแล้วท่านไม่ใช่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอํานาจแล้วก็เลยยอ้อมเขาพิสูจุ์อย่างไม่แต่เราไม่โกรธเคืองพวกบุตรนายพรานแม้จะแทงด้วยหลาวแม้จะทิ่มด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเราชนี้แหล น, น, นี่เป็นศีลเพราะฉะนั้นไม่ยอมโกรธความหมายควาว่าถ้าโกรธแล้วฝิกฝ่ายตายแน่นอนองนั้นเรื่องราวของท่านสังฆปาละพญานาคเป็นอย่างไรบอกว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ขวนขวายในบุญมีทานศีลเนคธมะเป็นต้นหรือทานศีลภาวนาเป็นต้นท่านท่องเที่ยวไปมาในคติของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยการแสวงหาโพธิญาณ โดยมากแล้วมีน้อยมากนะนะ ท, ที่ท่านจะไกลไปอาบายโดยมากก็เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดานี่แหละแต่บางครั้งนะนะหมายความว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นา น, านๆเข้าอะไรเกิดขึ้นสังสมนิสัยขี้โกรธสังสมอะไรไปสั่งสมไปสั่งสมมาพลาดไปเกิดเป็นพญานาคเพราะฉะนั้นอย่างว่านะก็อย่างที่เคยกล่าวหลายๆครั้งว่าคนมีทรัพนี่รวยจริงๆจะถามว่ามีมือ้อบางมื้อที่ไม่ได้กินมีไหม มีบอทำไมอ่ะพระราชาไม่ได้สวยเป็นมือก็มีเพราะอะไรเอาก็มั่งมีมากไม่ใช่เหรอชั้นใดก็ดีพระโพธิสัตว์ถึงท่านไปเกิดในอบายบางชาติก็ไม่ควรไปดูถูกไม่ควรไปดูหมิ่นท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะผู้ที่เกิดมาในโลกก็อย่างว่าเมื่อเขาด่าเราเนี่ยนะแหมก็อดไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อเขาข่มเราก็อดไม่ได้ในะที่สุดก็อย่างว่าเมื่อคบคนพานก็อดเปื้อนบาปกลับมาไม่ได้นะเดินตากแดดเหงื่อก็ออก เดินตากฝนฝนก็เปียกนะยมฝนเปียกมาเลยเดินตากฝนฝนก็เปียกชันใดถ้าเดินใกล้คนพานเลยก็เปื้อนบาปกลับมาสินี่ยนะแล้วก็อย่างนี้แหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพญานาคท่านก็ได้เกิดก็เกิดเป็นพญานาคในพิภพมีสมบัติเช่นกับสมบัติของเทวดาเป็นนาคราชชื่อวะสังคปาละมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก หน้าคราสนั้นเมื่อการผ่านไปรังเกียรสมบัติของความเป็นพญานาคปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์จึงอยู่จำโมโบสถคือเป็นพญานาคเนี่ยนะจริงอยู่ว่าสมบัติมันเยอะจริงแต่ว่ามันมีความอาภัพในตัวหลายอย่างอาภัพอะไรม้างทานชาญเจริญชาญก็ไม่ได้เจริญมิปเสนาชั้นสูงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เกิดในพรหมโลกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นี่แหะ ที น, นี้บางทีเนี่ยเขาบอกว่าพญานนาเนี่ยถ้าหากว่าสมสู่กับนางนามันจะต้องกลายเป็นงูไปเนี่ยนะบางทีมันก็รังเกียจไม่ไม่ต้องการเบื่อหน่ายความเป็นพญานาคก็อยากเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าทีนี้สะพานเชื่อมบุญที่จะทําให้ไปเกิดเป็นมนุษย์คืออะไรอะ่ะอันน้นเรียกว่าทอดสะพานจากอบายมาเป็นมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะ <S <S <S ก็คือศีลเราก็คิดดูนะว่าพวกพวกเดรชานที่จะย้อนกลับมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากเคยเห็นเดรชา รักษาศีลไหมไอ้ที่เรียกกบจําศีลมันหากินไม่ได้ไม่ใช่มันจําศีลอะไรที่ไหนหรอกเพราะมันกระโดดยองๆเลยตายเกลี้ยงแน่นอนไม่ใช่คางคกเพราะถ้ามันอยากมีชีวิตยืนดีหน่อยก็ต้องแปลงร่างให้มันน้าเกลียดแบบคางคกแล้วก็มีพิษแบบคางคกคนก็ไม่กินอันที่เรียกวกบจําศีลไม่ได้จําศีลอะไรหรอกกลัวตายมันนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่าง น, านั้นใช่ไหปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยจําอุโบสถรักษาศีลเพื่อให้เกิดเป็นมนุษย์ เมื่อนาคราสนั้นอยู่ในหน้าขภีพบการรักษาอุโบสถก็ไม่สมบูรณ์ศีนก็เศร้ามองเพระเศร้าหมองอะนะเขายันก็ว่าไปรักษาศีนอยู่ใกล้ๆวงด น, นตรีจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าอย่างนี้นพวกวังทั้งหลายก็ไปเต้นร้องราทําเพลงนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะพวกฝ่ายที่จะร้องก็จะร้องอย่างเดียวนะศีลก็เลยพุ่นวายไปหมดหนาคราก็เลยออกจากหน้าขภีพบล้อมจอมปลวกแห่งหนึ่งในระหว่างทางใหญ่ แล้วก็เป็นทางเดินทางเดียวไม่ไกลแม่น้ำกันหาวนาแล้วก็อธิษฐานอุโบสถสมาทานอุโบสถในวัน14บ่ค่ำสิบ้าค่ำเป็นปกติหมายเขาว่าถ้าเดือนขาดก็รักษา14ขส่ค่ำถ้าวันปกติก็15บ้าค่ำก็คือทุก15้าวันต้องรักษาอุโบสถอธิษฐานว่า ผู้ใดต้องการหนังก็เอาหนังไปใครต้องการเนื้อเลือดก็เอาเลือเลือดไปใครต้องการเอ็นก็เอาเอ็นไปใครต้องการกระดูกก็เอากระดูกไปก็ละสละตนให้เป็นทานแล้วก็นอนค่าวันหนึ่งก็ออกจากนาคพิเภกถึงวันหนึ่งค่ำก็กลับไปสู่นาคพิภพดังที่พระองค์ตรัสเล่า ว, ว่าในการเมื่อเราเป็นนาคราชเชื่อว่าสังฆปาลมีฤทธิ์มากเป็นต้นบทว่าจัตุโรอังเคอธิถายะ อธิษฐานองคสีมีผิวหนังเป็นต้นเอาไว้ในที่นี้สรุว่าพระโพธิสัตว์อยู่จาโบโบสดอย่างนี้วันเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสังคป่าละนาคราสมาทานศีลอย่างนั้นแล้วก็นอนอยู่บุตรนายพราน16คนคิดว่าวันนี้เราจะหาเนื้อถืออาวุธเที่ยวไปในป่า ครั้นไปก็ไม่ได้อะไรอะไรเลยก็กลับมาเห็นหนาคราชนั้นนอนอยู่บนยอดจอมปลวกคิดว่าวันนี้เราไม่ได้อะไรอะไรเลยแม้แต่ลูกเหี้ยว่า ง, งั้นไอ้ลูกตะกวดลูกเหี้ยลูกชมดลูกอะไรก็ไม่ได้มาสักอย่างเราจะฆ่านาคราชนี้กินแต่ว่านาคาราชตัวนี้ใหญ่มากเมื่อเข้าไปจับมันคงจะหนีก็เลยชวนกันคิดว่าเราเนี้จงเอาหลาวแทงหน้าคาราชนั้นทั้งทั้งที่นอนอยู่นั่นแหละ ที่ขนดทําให้อ่อนกําลังแล้วจึงจับแล้วก็ถือเหลาเข้าไปคิดว่าเราต้องแบบรุมเข้ารุมสกรัมรวดเดียวเลยนะช่วยกันนะทั้งคิดว่าหอกัน16อันใช่ไมสิบหกอันก็ช่วยกันนะทิมเลยนะคิดว่าอาวุธมาลงหน้าดูเลยนะเหมือนกับถูกยิงแสดงว่าอาดีตชาติเนี่ยท่านเคยไปยิงธนูไว้พวกกันเลยรุมเอาแม้พระโพธิสัตว์นั้นมีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าเรื อ, เ, อเรือกโกลนลําหนึ่งก็แสดงว่าตัวเนี่ยนะใหญ่มาก เรือโคลนก็เรือไม่ใช่น้อยเลยนะ น, น้องต้นมะพร้าวนัน่นแหละตัวร่างกายเนี่นะเป็นดุจพวงดอกมะลิที่ห้อยอที่ร้อยเอาไว้งามยิ่งนักประกอบด้วยดวงตาเช่นกับผ้าเช่นกับผลมะกลําแสดงว่าตาแดงศีษันี้เช่นกับดอกชบาดอกชบาก็สีแดงใช่ไหมก็เปนหน้าครานั้นโผล่สีษะจากระหว่างขนดเพราะเสียงเท้าของคนทั้ง16คน ลืมตาสีแดงเห็นคนสิบคนถือหลาวเดินมาคิดว่าวันนี้ความปรารถนาของเราจักถึงที่สุดเพราะเราได้มอบตนให้เป็นทานแลว้วโอ้ยสมความปรารถนาของเราแล้วนะสมความต้องการแลว้วก็เลยอธิษฐานจิตแน่วแนว่เพราะกลัวศีลของตนจะขาดว่าเราจะไม่แลดูชนเหล่านี้ซึ่งเอาหลาวแทงร่างกายของเราทำให้เป็นช่องเล็กช่องใหญ่จึงอสอศีษะ มุดเข้าไปในระหว่างขนดแล้วก็นอนนะมุดเข้าขนดเลยนะกลัวจะลืมตาเห็นว่าเห็นแล้วตายแนย่เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บปวดนะมันไม่รู้ไม่เห็นก็ช่างมันเถอะแต่ถ้าเห็นแล้วมันทำใจไม่ได้คล้ายกับคนไปฉีดยาฉีดยานะั้นไม่เห็นเข็ ม, มทำใจได้นะเห็นเข็มนะแ่มเสียวนะนี่ก็เหมือนกันนะนะเหอกทิ่มมาบอกโอ้ยกลัวเยนะก็กลัวจะโกรธไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอกนะ ว่าที่ทานจิตแม่สมความปรารถนาสมความตั้งใจแล้วนะเขาบอกว่าดีใจเหมือนอะไรดีใจเหมือนคนเตรียมอาหารว่าจะไปใส่บาตรใช่ไหมเห็นพระพิสูุเดินมาก็ดีใจแล้วก็ใส่บาตรชันใดผู้ที่มีใจเป็นบุญสละอัตภาพสละร่างกายสละชีวิตให้เป็นทานก็ฉันนั้นก็ดีใจว่าเขามาเอาเราแล้วเนี่ยนะได้บุญแล้วก็ถามว่าถ้าไม่สละอย่างนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนี่ยนะก็เป็นไปไม่ได้ ครั้งนั้นบุตรนายพรานเหล่านั้นก็เข้าไปจับหน้าคราชที่หางแล้วก็ฉุดมาตกลงบนแผ่นหินแผ่นดินเอาหลาวคมกริบแทงในที่แปดแห่งหมายว่าช่วยกันทิ่มแล้วก็ทิ่มอีกสอดอีกแปดแห่งสอดท่อนหวายดำพร้อมกับด้วยหนามเรียกว่าท่อนหวายก็เหมือนกับเชือกนะเชือกท่อนหวายก็เนี่ยประมาณเท่าเกือบเท่าเท่าแขนนะั่นแหละใหญ่มากเสร็จแล้วก็มีน้ําเพราะไม่ได้เลาะ อ, อะไรหรอกเพราะ้ํามต้นหวายก็รู้อยู่แล้วว่าหํามันรอบนะก็ จัดเข้าไปถ้าเราคิดอย่างนี้นะฟังฟังคําดูอุ้ยทำไมขาดเมตตาเลยเกินแต่คนที่นักล่างูนักล่าปลาเนี่ยเขาเขาก็ เ, าเป็นแบบนี้แหละเขาก็ทําอย่างนี้กันดังนั้นถือเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าเนื้อในเรื่องนี้เนื่องจากว่าพญานาคของเราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพระเอกของเราเป็นผู้ที่เรานับถือเราเคารแมแหมใครแหมทั้งโหดร้ายทั้งจิตใจเหี้ยมเลือกเกินอย่างนั้นอย่างนี้นนะแต่ถ้าลองแบบตอนไหนโทรสางูเหา่าเข้ามาในห้องนอนดูสิ มาหัวตาบกันไปเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระรูปหนึ่งว่างูเข้าห้องนอนก็บอกอาจารย์งูงูเอาก็งูติไปทําอะไรก็ใช่ตีมันไม่ได้เข้าห้องอาจารย์ก็ว่ากันกลนะัวใหญ่เลยไม่ใช่ดิมันไม่ได้เข้าห้องอาจารย์มันเข้าห้องผมก็ว่านเอาเลยให้ผมทำยังไงก็เอาไม้กวาดตัดตัดนี้ไปกันละกันเลยนะหมากลัวหน้าดูเลยในข่ำเลยบอกใช่ติมไม่ได้เข้าห้องอาจารย์ก็ว่านกลัวมาก นี่ก็เหมือนกันนะพยายนาก็ถูกน้ำเนี่ยนะของมานี่เคยเป็นเด็กเล่าเรียกว่าอะไรนะล้ววายเนี่ยนะมันก็รู้ดีก็สอดวายดำเนี่ยเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปในปากเพื่อประหารเอาคารหามในที่แปดแห่งก็คือตัวใหญ่มากนะจะต้องแบบ16คนนะ่ะ ก็ต้องแปดคู่อ่ะก็ต้องสอดแล้วก็เพื่อจะดึงนะแบกบกู้ยาวมากเลยนะต้องต้องแปดคู่อแปบดบคานหามอ่ะนะจึงจะหามไปได้งูใหญ่มากเลยพระโพธิสัตว์นั้นถูกแทงด้วยเหลาาก็หลับตามไม่ได้มองดูลูกของนายพรานเหล่านั้นในทีเดียวนาขราดนั้นเมื่อลูกเมื่อลูกนายพรานแปดคานหามเนี่ยนะหามเอาไปห้อยศีรษะไปกระทบแผ่นดินเนี่ยก็วก็ห้อยหัวลากดินไปเลยนะ ลำดับนั้นพวกลูกนายพรานเห็นว่าศาีรษะนาคคาราชห้อยจึงให้หนาคราชนั้นนอนบนาทางหลวงนะก็เอาวางไว้ก่อนช่วยกันวางไว้ก่อนแล้วก็เอาหาวเอาเอาหลาวแหลเอาหลาวแหลเนีย่ยนะแทงที่จมูกแทงที่จมูกแล้วก็สอดเชือกยกศีรษะขึ้นคล้องไว้ที่ปลายคานแล้วก็หามกันต่อไปจะได้ไม่ต้องลากใช่ไหม สรุปว่าพวกลูกนายพรานเป็นคนดุร้ายหยาบช้าไม่มีใจกรุณาได้เห็นเราแล้วถือไม้พลองตะบองสั้นกรูเข้ามาหาเราในที่นั้นพวกลูกนายพรานเอาหอกแทงเราที่จมูกที่หางที่กระดูกสันหลังแล้วก็สอดคานหามเราไปถ้าเราปรารถนาจริงๆทงัๆ้งๆที่ไม่ใช่ไม่มีเดชไม่มีอำนาจนะถ้าเราปรารถนาก็พึงยังมหาปฏิพีอันมีมหาสมุทร เป็นที่สุดพร้อมทั้งป่าใหญ่ทั้งภูเขาให้ไหม้ด้วยลมจมูกในที่นั้ น, น, นแต่เราไม่โกรธเคืองลูกพรานทั้งหลายแม้จะแทงด้วยเหลาแม้จะทุบตีด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเรานะกระบอกเอซ่าเมศีลบารมีนี้เป็นศีลบารมีของเราคือการที่เราเป็นผู้มีอนุภาพมากอย่างนี้ อธิษฐานอย่างนั้นไม่โกรธลูกพรานเพราะกลัวศีลจะขาดนี้เป็นศีลบารมีของเราซึ่งเป็นไปแล้วโดยไม่คำนึงถึงชีวิตโดยส่วนเดียวอธิบายว่าเป็นศีลบารมัทธาบารมีด้วยอํานาจของศีลเนี่ยนะโอ้โหเป็นศีลปารมัทธาบารมีจริงๆทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์นี้ถูกผูกพวกไอ้นายพรานทั้งแเอ่อทั้ง16คนเนี่ยนะหามไปอย่างนั้นมีลูกเซมีเศรษฐีกุดุมพี ชาวชื่อว่าอาลาระอาลาระนี่จริงๆก็แปลว่าใหญ่นะคนสูงใหญ่เป็นชาวเมืองมิถิลานําเกวียนห้าอยนั่งอยู่บนยานอันสําราญไปเห็นพวกลูกนายพรานเหล่านั้นกําลังหามพระโพธิสัตว์คือพญา น, นาคไปก็เกิดความสงสารถามพวกพรานเหล่านั้นว่าพวกท่านนำหน้าคราชนี้ไปทําไมพวกท่านจะนําไปทําอะไรพวกนายลูกนายพรานก็ตอบว่าพวกเราจะปิ้งเนื้ออร่อยอ่อน อนนะอร่อยที่อ่อนแล้วก็อ้วนของพญานาคกินเนี่ยนะพวกที่เคยกินเนื้องูนี่บางคนเนี่ยดีใจมากที่จะได้กินแบบอะไรนะกินกินพวกพวกชอบกินอาหารป่าเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยถือว่าอาร่อยอร่อยถือว่ามีความสุขมากโปรดปรานมากเนี่ยนะนะต้มยัง อ, ร, อร่อยเนี่ยนะของเรานี่ดีเกิดมาในอะไรนะเป็นชาวเมืองอ่ะนะก็เลยดีนะถ้าเป็นชาวป่าชาวเขาแล้วอวันไหนที่เขาไปล่า ง, งูได้มาเนี่ยนะดีใจมากนะนะก็ สมัยอยู่ช่วงหนึ่งอะ น, นะช่วงนั้นนะถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเขามาเนี่ยกิจกรรมอันหนึ่งก็คือไปล่า ง, งูเพว่อฆ่า ง, งูชาตินี้ฆ่ามาักน่าจะเป็นร้อยตัวได้อันนั้นถูกฆ่าอีกหลายชาติน่อย่างไงแต่ว่าตอนนั้นถามว่ากรุณาสักนิดมีไหมบอกไม่นะดีใจซะอีกวู้ด ไ, ได้ละมีอยู่ครั้งหนึ่งอนะไปเห็นงูเหา่ากลางคืนแล้วก็สองฝ่ายมันก็ขูฟู่แล้วก็เลยยิงด้วยทะลุสอนไปเลย อันนั้นก็แมมแต่มันดิ้นก็ภาพประทับใจอยู่หมกันประทับใจที่เลวร้ายก็โทษกังวัตตะจริงๆนะ น, นีพวกนายพรานเราเนี่ยนะ พ, พอฟังคำนี้เราก็นึกเข้าใจเลยว่าพวกนายพรานนี่มันคิดอย่างนี้จริงๆไม่ได้มีใจคำว่าเมตตากรุณาคิดเอือ้อาอาทรหวังดีปราถนาดีมันคนบาปนี่ยังไงมันก็คิดเป็นเป็นบาปเพราะถูกสั่งสอนถูกเสี้ยมสอ น, สสอนด้วยจิตที่ เป็นบาปพันคนที่เกิดมาในเวทวงในสมาคมของอาศาัตรูษมันก็คิดเยี่ยงกับอา ศ, าศาัตรุษทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มีจิตใจที่โหดร้ายอนะดุร้ายพันพวกบุตรนายพรานนี่ก็เหมือนกันบอกว่าวนนี้เราจะได้ปิ้งเนื้ออันอร่อยอร่อยแสดงว่าวันนี้ตั้งวงเลยน ะ, ะขนาดนี้ก็ฉลองกันหลายมือเลยแหละกูดุมพีคนนี้เป็นคนมีบุญเนี่ยนะเป็นคนมีศรัทธาสังสมบุญมาเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็คนเนี่ยจะเป็นอัครสาวกของพญานาคเพราะอะไรก็คืออะไรภาษาริบุตรของเราอีกนั่นแหละก็เลยให้โคใช้งาน16ตัวเขาเรียกว่าแลกด้วยเรียกว่า16คนใช่ไหมเอาโคกันไปคนละตัวเลยแล้วก็ให้ทองคำํำฝายมือหนึ่งแก่พวกลูกของพรานเหล่านั้นให้ทองคําอีกนะเอาคนละเส้นคนละเส้นไปเลยแล้วก็ให้ผ้า น, นุ่งห่มแม้แก่ภรรยาของพวกนายพรานทุกคน แบ่งผ้าให้อีกไงเพราะเขาเป็นพ่อค้านะแล้วก็ให้วัตถุสิ่งของที่ระลึกแก่พวกลูกนายพรานอีกนะเรียกว่าให้ตัวนายพรานให้ทั้งโคให้ทั้งทองให้ผ้าแก่แม่บ้านให้ของขวัญแก่เด็กๆลูกของพวกนายพรานอีกก็กล่าวว่านาคนี้เป็นนาคราดมีอนุภาพมากเป็นพญานาคที่ไม่ประทุษร้ายพวกท่านด้วยด้วยศีละคุณของตนคือเนื่องจากพญานาคนี้เป็นคนมีศีล พวกที่ทําให้หนาคขราชนี้ลําบากเป็นบาปมากปล่อยเสืเอเธอก็คือวิธีขอของเขาอ่อนวอนนะก็ฉลาดขอฉลาดขอซื้อว่าว่าโอ้ยนาคขราชมีฤทธิ์มากนะดูสิพญา น, นาคไม่ต่อสู้ไม่ประทุสรายเพราะพญา น, นาคเป็นสัตว์ที่มีศีลพวกท่านทําให้หนาคขราชมีศีลลําบากบาปมากนะปล่อยเธอลูกนายพรานก็บอกว่านาคนี้เป็นอาหารอันริสอร่อยของพวกเราก็แปลว่าเป็นผู้ที่กินงูโดย ธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ตัว น, นาคตัวอ้วนๆนะนี่คงจะอร่อยมากนะอ่ะพวกเราไม่ข อ, อพวกเราไม่เคยกินน้าแบบใหญ่แบบนี้มาเลยกยงั้ น, นเอาเถอะพวกเราบูชาถ้อยคําของท่านเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยนาคนี้แล้วก็ปล่อยให้พระโพธิสัตว์นอนบนแผ่นดินเพราะความหยาบทาของตนก็เลยจับเอาปลายหวายและเถาวัลย์ที่ร้อยไว้ด้วยน้ําเหล่านั้นกระชากออก คือค อ, อความที่ใจเหี่ย ม, มแทนที่จะดึงแบบค่อยๆครูดออกไปมันแบบดึงแบบทวน่ะนะเหมือนกับว่าดึงไผ่ตั้งแต่ยอดมาจะเป็นยังไงนิดึงไหวตั้งแต่ยอดมาแล้วก็หนามมันก็ครูดเนี่ยนะไม่รู้ท้องไส้ทะลักอะไรมาบ้างครั้งนั้นกูดุมพีนั้นเห็นพยายนาคราชลำบากจึงไม่ทำให้ลำบากด้วยการตัดเอาดาบนั้ น, น่ะนะตัดเอาเถาวัลย์ค่อยๆดึงออกมาไม่ให้เจ็บปวด ทำนองเดียวกับการนําเครื่องเจาะหูของทารกทั้งหลายออกเวลาเจาะหูใช่ไหมเจาะหูแล้วเวลาดึงเข็มออกก็ค่อยดึงฉันใดนี่ก็เหมือนกันบอกว่าลูกของเศรษฐีคนนี้ก็มีใจบุญเ่ยนะค่อยๆดึงออกกลัวพญานาคจะลำบากครั้งนั้นลูกนายพรานทั้งหลายก็ช่วยกันค่อยๆดึงออกนะกันนะก็เห็นเขาเอาแบาบปเอาแบบก็เลยแนะนําให้ดึงเครื่องผูกสอดอผูกมัดที่สอดสวม ทางจมูกของนาคราชเพราะเราถูกร้อยจมูกจมูกก็ถูกเจาะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอดีตชาติท่านเคยเคยเกิด เ, เป็นชาวนาเป็นต้นถ้าเกิดเป็นชาวนาเนี่ยถ้าจะฝึกวัวควายทําไงเพราะวัวควายนี่เก็ร้อยเชือกที่จมูกอยู่แล้วเนี่นะเพราะนั้นก็ต้องเอาเหล็บเหล็กแหลมๆเนี่ยทิ่มไปที่จมูกแล้วก็เจาะจมูกแสดงว่าอดีตพระโพธิสัตว์ก็เคยเป็นลูกชาวนา <c oughs> เคยเจาะจมูกเป็นต้นเจาะจมูกสัตว์กรรมอันนี้เวลามาเกิดเป็น พยานาคนะทั้งน้าคาราก็ยังถูกเจาะจมูกกันนะสรุปว่าพอสักครู่หนึ่งพระโพธิสัตว์ก็บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกมองดูอาลาระด้วยตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาทราบซึ่งในพระคุณของของอาลาละเนี่ยนะที่เขาซื้อมาจริงๆก็ถือว่าชีวิตของพญานาคเท่ากับเป็นของอาลาละแล้วเพราะว่าถูกเขาซื้อไปแล้วเนี่ยนะก็ด้วย ตื่นตันในพระคุณที่ที่อาลาละเนี่ยนะเป็นคนที่มีเมตาก็มองด้วยน้ำตาเอืบอิ่มพวกนายพรานเนี่ยนะก็หลบไปได้หน่อยหนึ่งพวกนายพรานก็แอบปรึกษากันว่าพวกนาคนี่อ่อนกำลังเมื่อพวกนาคตายแล้วพวกเราเอาไปกินต่ออีกเนี่ยนะตายแนย่นอนงานนี่หนัก น, นะเราทุบมาขนาดนี้เดี๋ยวแต่ถ้าตายไปแล้วเดี๋ยวลูกเศรษฐีก็ปล่อยทิ้ง้แถวนี้เดี๋ยวเราเอาไปปิ้งต่อัน ส่วนอาราลกุมพีเนี่ยนะก็ไหว้พระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าไปเถอดท่านพญานาคพวกนายพรานไม่จับท่านอีกแล้วก็ตามไปส่งพญานาคหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปพระโพธิสัตว์ไปยังนาคพิภพไม่ทําให้เสียเวลาในนาคพิภพออกมาใหม่เนี่ยนะไปถึงนาคพิภพก็แต่งองค์ทรงเครื่องกลับมาใหม่พร้อมด้วยบริวารใหญ่เข้าไปหา阿拉ารลพันนานาคุลของนาคพิภพแล้วก็นำาาํำ阿拉ระ ไปยังหน้าค้พิภพนั้นให้ยศยิ่งใหญ่พร้อมด้วยนางหน้าขกัญญา300แก่อราระทาให้อราระน เ, นเอบ อ, อิ่มด้วยกามทิพย์นเนี่ยนะอราระกับโอรานี่มันอันเดียวกันนะนนเอาสระอาเป็นสระโอซะนนเนี่ยนะก็เป็นแล้วก็โอรา น, นั่นเองนะให้ท่านโอรานะโอรานก็ประกาศถึงเศรษฐีใจบุญเศรษฐีใหญ่อย่างนั้นแหะท่านโอรา น, นี่ก็อยู่ในหน้าค้พิภพได้ปีหนึ่ง บริโภคกรากรการมคุณอันเป็นทิพย์อยู่ครบปีหนึ่งก็บอกแก่พญานาคว่าสหายข้าพเจ้าปรารถนาจะบวชจึงถือเอาบริขารของบรนประชิตออกจากหน้าคิพบไปหิมวันตตรประเทศบวชแล้วก็อาศัยอยู่หน้าหิมวันตรประเทศนั้นเป็นเวลาชาตานานต่อมาฤาษีนี่ก็เที่ยวจาริกไปถึงกรุงพารณสีพระเจ้ากรุงพารณสีทอดพระเนตรเห็นฤาษีก็เลื่อมใสในอาจารยสมบัติ <c oughs> ก็เลยถามว่า พระคุณเจ้าพระคุณท่านท่านบวชมาจากตระกูลที่มีสมบัติมากเพราะเหตุไรท่านจึงบวชนะคือพระราชานี่เห็นลักษณะของฤาษีนี่ก็บอกว่าคนที่เรียนอะไรนะบางคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษเห็นหุ่นนี่รู้เลยว่าใครเป็นยังไงเาเรียกว่าอะไรนะเรียนวิชาจินแสมานะัก เ, เรียกว่าวิชาจินแสหรือทางสายพราหมณ์อินเดียเนี่ยเาก็ามีวิชาหมอดูของเขาดูลักษณะคนเ้ นี่เขาก็ดูแล้วเออนี่คนรวยนี่ลูกคนรวยมาบวชนี่มหาเศรษฐีบวชแน่นอนทําไมจึงบวชละ่ะเมื่อจะทูลถึงเหตุที่ตนบวชเลยกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระราชาฟังตั้งแต่ขอให้พยาไอ้พวกนายพรานปล่อยพระโพธิสัตว์จากเงื้อมือแต่พระราชาเสร็จแล้วก็แสดงทำให้พระราชาฟังว่ามหาบาพิษแม้กรมทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปลุนไปเป็นธรรมดา อาตมาภาพก็ได้เห็นแล้วอาตมาภาพเห็นโทษในการมคุณทั้งหลายจึงบวช ด, ด้วยศรัทธาเขาบอกว่าไม่ได้บวชเพราะไม่มีทรัพย์ไม่ได้บวชเพราะหมดทรัพย์ไม่ได้บวชเพราะสุขภาพไม่ดีไม่ได้บวชเพราะหนีหนี้เป็นต้นแต่บวช ด, ด้วยศรัทธาเพราะเชื่อกรรำเชื่อผลของกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเป็นต้นเนี่ยนะมหาปีติมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นแก่ก็ตายหมดเหมือนอะไรเหมือนผลไม้ในป่าก็ร่วงหล่นฉะนั้น นะเพาใครที่เที่ยวป่ามากๆก็จะเห็นผลไม้มันหล่นเกลื่อนนะเพราะไม่มีใครเก็บใช้ผลไม้ ก, ก็หล่นเกลือ่อนอาตมาภาพเห็นดังนั้นแล้วก็บวชความเป็นสมณะคือประพฤติอยู่ในสมณะธรรมมีศีลเป็นต้นที่ไม่ผิดเป็นสิ่งประเสริฐเพราะนั้นการเป็นสมณะอยู่ในคุณธรรมเนี่ยนะที่ปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติไม่พลาดเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัสว่าท่านผู้มีปัญญา ท่านผู้เป็นพหูสูตรมีความคิดถึงฐานะมากฐานะแปลว่าเหตุท่านเป็นผู้มีปัญญารู้เหตุเป็นอันมากคนที่มีปัญญาเป็นพหูสูตรและก็รู้เหตุเป็นมากมายเนี่ยนะควรคบแท้แน่นอนก็แสดงว่าพระราชานี่เป็นบัณฑิตใช่ไหมรู้คนที่เป็นพระราชาคนที่อยู่ระดับสูงเนี่ยนะ คนที่อยู่ระดับสูงเนี่ยต้องการอะไรต้องการที่ปรึกษาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องการคนที่มีปัญญาคนที่รู้เรียนรู้มากรู้อะไรเป็นเหตุอะไรมีใช่เหตุเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาแบบนี้ควรครบท่านอาลาระข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องนาคราชและเรื่องของท่านแลว้วจักกระทำบุญไม่น้อยทีเดียวโอ้จะทำบุญให้มากดาบทก็แสดงทําให้ฟังว่าผู้มีปัญญา เป็นผูสูตรมีความคิดถึงเหตุมากมายควรครบแท้ข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงฟังเรื่องราวของนาคราชและของอัตมาภาพแล้วขอจงทรงทาบุญไม่น้อยเถิดก็แปลว่าอะไรอย่าทำน้อยทำให้มันเยอะๆเนี่ยนะอย่าทำน้อยก็แล้วกันถ้าคิดว่าน้อยเมือ่อไหร่ก็งเลกก็เพิ่มไปก็แล้วกันอ่างนั้น ดาบทฟังก็พักอยู่ณนะกรุงพารณาณสีตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนก็กลับไปหิมม awan แต่ประเทศเจริญพรหมวิหาร4ี่ตลอดชีวิตก็เข้าถึงพรหมโลกเนี่ยนะก็แม้พระโพธิสัตว์ก็อยู่จำอุโบสถตลอดชีวิตก็ไปสู่สวรรค์เ น, นี่ยนะจากสวรรค์ก็มาลงมาเป็นมนุษย์ทําบุญต่ออีกก็สุขเตียมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์พรหมอยู่เท่านี้แหละแม้พระราชานั้นก็ทําบุญมีทานเป็นต้นเสร็จแล้วก็ไปตามยะถากรรม อาลาระโอลันนะนะหรือสีในครั้งนั้นก็คือพระสารีบุตรในครั้งนี้พระเจ้าพาราณสีก็คือพระอนนเทระสังขปาละนาคราชก็คือพระโลกกนาตนะก็เกี่ยวข้องกันมาเยอะนะสรุปว่าในในเรื่องนี้เนี่ยท่านยกบารมีสิบมาให้เห็นเลยนะว่าการบริจาคศรีระของนาคราชนั้นเป็นทานบารมีเป็นการให้ของท่านเนี่ยนะ เป็นการบริจาคสรีระเป็นทานจริงๆเครียกว่าอังคะบริจาคเนี่ยนะปกติแล้วต้องมหาบริจาค5ใช่ปัญจมหาบริจาคเคเนี่ยนะมหาบริจาคหบริจาคทรัพย์บริจาคราชสมบัติบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคบุตรและภรรยาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอังคะบริจาคก็คือบริจาคสรีระนั่นเองอันนี้เป็นทานบารมีของท่านการที่น่าคราดผู้ประกอบด้วยเดชมีพิษเห็นตานั้น เมื่อมีการเบียดเบียนก็ไม่ทำลายศีลเนี่ยนะหมายก็ว่าถูกเขาประทุษร้ายถูกเขาเบียดเบียนตั้งแที่ตัวเองมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจก็ไม่ทำลายฝ่ายตรงข้ามเลยอันนี้เป็นศีลบารมี น, นะนะทนรักษาศีลตัวเองได้การละพกขสมบัติเช่นกับพกขสมบัติของเทพแล้วออกจากหน้าคขปภบัมเพนสมณะธรรม รักษาศีลอันนี้ก็เป็นเนคขมมะบารมีของท่านท่านออกจากวัตถุกามได้เนี่ยนะแม้กระทั่งว่า10ทุกสิบหวันก็ยังดีการเตรียมตัวว่าควรทําประโยชน์มีทานเป็นต้นและสิ่งนี้สิ่งนี้ควรทำเนี่ยนะเช่นควรให้ทานควรรักษาศีลควรทําคุณงามความดีการที่มีปัญญารู้เหตุแห่งความเจริญและก็รู้บุญกุศลที่ควรจะทําและรู้จักบาปที่ควรละอันนี้ก็เป็น ปัญญาปัญญาที่รู้ว่าบุญควรทำบาปควรละนั่นเองส่วนการบรรเทาอากุศลวิตกมีกามาวิตกเป็นต้นด้วยความเพียรในการอดกลั้นอันนั้นก็เป็นวิริยะบารมีนมันสามารถเพียรกำจัดความคิดที่ชั่วร้ายเนี่ยนะเพียรกาจัดอาุศลวิตกพวกนี้กล้าจริงๆนะคนไม่กล้าที่ทำไม่ได้นะการกำจัดอาุศลวิตกเป็นวีรกรรมเหมือนกันนะเป็นความกล้ามาก ความอดทนความอดกลั้นเป็นขันติบารมีอดทนที่จะรักษาศีลต่อไปได้โดยที่ไม่โกรธนะท่านไม่ได้ผูกเวรต่อต่ออะไรนะต่อพวกพวกอลพวกพวกลูกในพรานพวกในพรานเหล่านั้นเลยไม่โกรธด้วยนะไม่โกรธอดทนอันนั้นไปเป็นขันติบารมี การสมาทานสัจจะชื่อว่าสัจจะบารมีเพราะท่านทําตามที่ท่านสมาทานเอาไว้แล้วเนี่ยนะเมื่อท่านสมาทานไว้แล้วท่านก็ทําตามอันนั้นเป็นสัจจะบารมีของท่านการตั้งใจสมาทานแบบไม่หวั่นไหวนี่เป็นอธิษฐานบารมีว่าเราจะไม่ลืมตาดูแลเราจะไม่โกรธถ้าเราโกรธแล้วเขาตายเป็นต้นเนี่ยนะตั้งใจไว้มั่นอันนั้นเป็นอธิฐานะบารมีความเป็นผู้มีเมตตาและกรุณาในสรรพสตว์ทั้งหลาย หมายถึงพวกลูกในพรานเหล่านั้นอันนั้นเป็นเมตตาบารมีท่านมีเมตตานะเมตตาว่าขอผู้ที่ต้องการเนื้อ ก, ก็เอาเนื้อไปต้องการเลือด ก, ก็เอาเลือดไปก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยสมความปรารถนาอันนั้นก็เป็นเมตตาท่านรู้ด้วยนะว่าถ้าท่านทําลายคนเหล่านั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นใจกรุณาไม่ต้องการให้เขาประสบความทุกขเหล่านั้นเพราะว่าถ้าทำแล้วเขาเดือดร้อนแน่อันนั้นก็เป็นกรุณาของท่านเพราะฉะนั้นเป็นตั้งเมตตาและกรุณา ที่ใดพูดเมตตาที่นั้นให้รู้ว่าพรหมิหารมาหมดการเป็นกลางในเวทนาไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ท่านก็บอกว่ามันเท่ากันที่ใดเคยมีสุขที่นั่นแหละมันมีทุกข์ที่ใดมีทุกข์ ท, กที่นั่นแหละมันมีสุขไอการวางใจได้อย่างนี้เป็นอุเบกขาขณะเดียวกันเนี่ยผิดปกติของสัตว์ทั้งหลายที่มาทํากับท่านท่านก็ไม่ไม่ได้คิดว่าะนะท่านก็ก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าระหว่างลูกในพรานกับ อาละอุลาละที่ช่วยท่านแต่แต่ขณะเดียวกันท่านไม่ไม่ใช่ไม่รู้จักคําว่ามิตรว่าศัตรูแต่ว่าจิตใจของท่านเนี่ยท่านไม่ผิดปกติเลยระหว่างกับสองคนเนี่ยนะความที่ท่านมีอุเบขาไอคนที่มีอุเบคาไม่ใช่แยกไม่เป็นว่ามิตรหรือศัตรูคนที่มีอุปการะหรือไม่มีอุปการะแต่ก็แยกออกันะแต่ก็วางใจได้อันนั้นเป็นอุเบคาเพราะฉะนั้นชาตินี้ท่านบําเพ็ญบารมี10ประการเนี่ยนะบารมี10ทั้งหมดเลย ยาเดียวข้างหลังกล่าวต่อไปนะถ้ารักษาถ้ายังมีทานศีลภาวนาอยู่บารมีสิบมาหมดไม่ต้องห่วงนะขอให้ยังให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เธอถ้ายังทําคุณงามความดีเหล่านี้อยู่บารมีอื่นๆก็ตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยนะตามสมควรแก่เหตุในตัวอย่างชาดกนี้ยกตัวอย่างจริงในเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีบารมีทั้ง10ข้อ แต่ศีลบารมีเท่านั้นที่ยกขึ้นสู่เทศนาเพราะทําให้เป็นบารมีที่ยิ่งยวดอย่างยิ่งเนี่ยนะเป็นบารมีสุดยอดเลยนะสูงสุดเลยนะว่าศีลของผู้ที่รักษาศีลพอที่จะมั่นคงเป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะท่านไม่ได้รับการฝึกการอบรมมาอย่างนี้ตั้งแต่อดีตชาติมาเป็นอย่างดีท่านจะทนให้เขาด่าทั้งคืนได้หรอท่านจะไปทนให้เขาโอ๊ยประทุษร้ายทั้งคืนได้ยังไงนะเช่นไปโปรดอะไรนะ อาราวะกะยักเนี่ยนะที่เมืองอารวีเนี่ยนะทั้งคืนเลยนะแล้วก็อีกไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องที่ ท, ที่ที่ทำให้บังทนเขาไปนั่งฟังเขาด่าจนเนี่ยนะเพเพื่ออะไรก็เพราะเพื่อจะสงเคราะห์เขานั่นแหละเนี่ยนะสรุปในบารมีทั้ง10เนะนี่ยนะตั้งแต่ทานเออขออภัยศีลบารมีศีลบารมีในในวักเนี่ยนะวักที่สองเนะี่ยโดยมากก็เป็นเรื่องของ ศีลเนี่ยนะตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างมาตังคะจริยาเป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นศีล น, น, นะเพราะว่าอะไรนะศีลทุกชาติเนี่ยนะก็เป็นศีลอุปปารมีนะก่อนหน้านี้เป็นตังค่าเป็นอะไรเป็นต้นส่วนประมัธาปารมีคือชาติที่เป็นสังคปาละสังคปาละนาคราณนี้เป็นศีลประมัธาปารมีในพุทธพจน์ที่พระองค์บอกว่าศีละวะนาคศีละวะนาค คือช้างนะผูริทตะนาคราชจัมปะยะนาคราชจูลโหธิจริยามหิสราจริรยารูรุมิขจริยามาตังขจริยาธรรมเทวปุตตะจริยาชยทิ จ, จิริยาแล้วก็สังขป า, าละจริยาทั้ง10เรื่องเนี่ยนะนี้เป็นกำลังของศีลเนี่ยนะคือศีลเนี่ยมีกำลังขนาดนี้อย่างนี้ถ้าคุณธรรมเหล่านั้นก็เป็นบริวารของศีลเราได้สละชีวิตตามรักษาศีล เราผู้เป็นสังฆป า, าแลแนาคราชได้มอบชีวิตให้แก่คนใดคนหนึ่งแม้ตลอดกาลทุกเมื่อเพราะฉะนั้นบารมีอันนี้จึงเป็นศีลบารมีเขาบอกว่าศีลนี่เป็นกําลังคําว่าศีลบารมีเนี่ยนะหมายถึงว่ามีศีลเป็นกําลังโดยความเป็นไปด้วยการบําเพ็ญศีลบารมีเป็นพิเศษปริขาราเพราะปรับปรุงศีลอันเป็นปรมัทธบารมีแล้วก็ปรับปรุงสันดาน ด้วยอำนาจการอบรมหมายคือว่าปรับปรุงศีลอยู่ตลอดเวลานะท่านใช้คำว่าปรับปรุงเนี่ยปริขารปริขารก็คือแวดล้อมมีการปรับปรุงตอนแรกทำศีลให้มีขึ้นก่อนตอนหลังก็ปรับคุณภาพของศีลให้ศีลเป็นบุพเพเจตนามุนจนะเจตนาและอภราราเจตนาเป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะ พันธก็ปรับปรุงศีลให้เป็นแล้วก็ปรับปรุงจัตวาศีลบารมีธรรมดาเป็นอุปปารมีเป็นปรมมัถธปรมีเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพสร้างอุปนิสัยแห่งศีลความที่พระองค์เนี่ยรักษาศีลบำเพ็ญศีลใหม่ให้พระองค์จึงสามารถบัญญัติพระวินัยปิดกได้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่เป็นผู้มีศีลรักศีลปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมคือศีลเป็นต้นเหล่านี้มาเป็นอย่างดีเนี่ยพระองค์ไม่สามารถบัญญัติวินัยปีดกออกมาได้ เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยปรับปรุงอัธยาศัยปรับปรุงสภาพจิตกายวาจาใจโดยเฉพาะขันธสันดานเนี่ยนะปรับปรุงสันดานของตัวเองด้วยศีลเนี่ยนะว่สันดานที่ไม่ดีก็ปรับให้มันดีสันดานนี่แปลว่าสืบเนื่องนะโดยศัพท์แปลว่าสืบเนื่องมาจากคำว่าสันตติสันตานะก็สันตติที่มันสืบเนื่องทางความคิดไปเนี่ยก็ปรับปรุงจากที่มันเลวร้ายให้มันดีขึ้นเพรามันก็เกิดจากการภาวนาเอาศีลเนี่ยมาเป็นเครื่องอบรมอบรมสภาพจิตให้จิตเป็นไปกับศีล เชื่อว่าปเทสิกาสับปเทสาคือยังมีการสละให้เพราะศีลปรมัต a t ถึงความเป็นอุกฤษยังไม่สมบูรณ์เรี่ยว่าไม่ให้ก็ไม่ใช่หากถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่ารักษาชีวิตแล้วก็ตามรักษาศีลอธิบายว่าเจริยาทั้งหลายมีหัตถนาคาจริยาเป็นต้นเหล่านั้นบอกว่าเรารักษาชีวิตของตนโดยเอกเทศเท่านั้นแล้วก็ตามรักษาศีลหมายคำ ว, ว่าไม่ได้สละจริ ง, รงๆเท่ากับสังคปาละ นาคราชสังคปาละนาคราชน้สระจริงๆเพราะฉะนั้นแต่เมื่อเราเป็นสังคปาละนาคราชมีอนุภาพมากมีเดชคือพิษสงสูงชีวิตของเราก็ถูกนายพรานเหล่านั้นรวมหัวกันก็ไม่ได้จำแนกบุคคลทั้งก่อนและหลังโดยนำไปส่วนเดียวเท่านั้นเราสละชีวิตที่ถูกเขานำไปให้เป็นทานเพื่อตามรักษาศีล เพราะฉะนั้นศีนี้สังฆปาละจริยานี้จึงเป็นปรัมัทธปารามีจึงเป็นศีลบารามีของเราอันนี้ก็จบจบกลุ่มศีลบารามีเนี่ยนะหมายคถาว่าชื่นชมยกตัวอย่างเรื่องศีลเด่นเป็นพิเศษไม่ใช่ศีลอย่างเดียวแต่ว่าศีลนี้ถือว่าเป็นพิเศษเนี่ยนะอย่างเหมือนกับอะไรน ะ, ะนี่มณพระมาฉันเพลนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ฉันอย่างเดียวหรอกก็มีดอกไม้มีอะไรอย่างอื่นอีกนั่งมากมายแต่ทำไมายก อาหารเป็นประธานเนี่ยนะเขยกอาหารเป็นประธานพวกบารมีสิก็เหมือนกันท่านก็ทำบารมี10แต่ว่ายกอะไรเป็นประธานเนี่ยนะยกอะไรเป็นตัวอย่างอะไรเป็นประธาน